ภาษาริบุตศาสจําได้ฮะว่าผู้นั้นผู้นี้เนี่ยเคยใส่บาตรให้แม้เพียงแค่หนึ่งทพีอาตมาเนี่ยมันนึกถึงตัวเองว่าเอ๊ะจําได้ไหมเนี่ยตอนเช้าออกไปบินตบาบิณฑบ า, บนบาเนี่ยจำได้มั้งหเปล่าว่าเนี่ยใครใส่บาตรเลยเราบั่งเนี่ยคือ <c ười> <c ười> บางทีก็นึกมาทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าเออเราเนี่มันยังยังใช้ไม่ได้นะคือคือนึกถึงตัวเองเหมือนกันเออเราอยังใช้ไม่ได้เพราะว่าเรายังจําไม่ค่อยได้อ่ะใครมั้งก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นอยากจะพูดมุมกลับกันครนี้พูดมุมกลับก็คือสังเกตไหมใครทำร้ายเราใครด่าเราใครทำให้เราไม่ชอบใจเป็นไงแหมจำแม่นยังเลยบางทีก็ทำมาต้องไม่รู้กี่เดือนกี่ปีแล้วยังจำได้แห น, น่จำได้ไหมเมื่อเดือนนั้นปีนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นงานฉัน โอ้โห oh ที่อย่างเงี้ยไปจำทั้งทั้งที่บุญคุณของคนเนี่ยที่เขาทำดีกับเราโดยเฉพาะบุญคุณของผู้ที่คำว่าบุญคุณนี่คือสิ่งที่เป็นคุณนะไม่ใช่เป็นโทษดังั้นคนที่มาทำช่วยเหลือเราเนี่ยที่เป็นคุณเนี่ยต้องจดจำให้แม่นส่วนคนที่ทำมามาทำโทษกับเราอะ มาทำ้ายเรามาทำเลวกับเราจริงๆแล้วยิ่งเลิกจำได้นะ่ะยิ่งดีจะได้ไม่ต้องไปแค้งเคืองไม่ต้องไปชิ้งชังไม่ต้องไปโกรธนะมันจะได้ไม่ไปอกุศลไม่ไปทำเลวทำลายเขาไม่ไปอาฆาตไม่ไม่ไปจองเวรเขาแต่เนี่ยแหละอำนาจของกิเลสเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยชอบจำในสิ่งที่คนเขาทำไม่ดีกับเรานี่นี่อำนาจกิเลสนะทาให้เราเนี่ย ชอบไปจําสิ่งเหล่านั้นส่วนคนทําดีให้กับเราไม่ค่อยจําอะบางทีเผื่อๆลืมเลยด้วยลืมเลยจนก็ บ, บางทีเนี่ยคนที่ทําดีกับเราเนี่ยเขาต้องมาเหมือนเนี่ยเหมือนนอกหัวขวานเนี่ยคือเขาต้องทวงบุญคุณบ้างคือบางทีต้องให้เขาพูดนะต้องให้เขาทวงพอเขาพูดเขาทวงขึ้นมาเนี่ยถึงจะเออเออชักชักนึกออกละชักจําได้ละ ราชสีเนี่ยขนาดดูนะถ้าเราแย่กว่านั้นนะมีคนมาทวงบุญคุณกับเราปับ๊บเรากับนี่ถ้าแย่คือราชสีเนี่ยคือไม่เพียงแต่ไม่ตอบแทนบุญคุณนะเผลอ ๆ, ๆเรายัางจะติยังจะว่าหรื อ, อยังยังจะเล่นงานเขากไปว่าอะไรส่วนใหญ่มักจะว่าแหละมักจะว่าอะไรคําคนี้ต้องออกมาอยู่เรื่อยอะ อ่บอกเนี่ยเๆเนี่ ย, ยอย่างนี้นี่เนี่เนี่ยทวงบุญคุณก็แล้วนะอย่างนี้นะคือคือคือจะว่ากลับเพื่อที่ให้เขารู้สึกตัวว่าไม่ดีนะไม่ดีนะว่นะาทวงคุณนี่ไม่ดีนะเออจะอย่างนี้ซะอีกแนะ่เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ระวังให้ดีพเรื่องของการเอ่อบุญคุณเนี่ยนะจริงๆแล้วพยายามระลึกเสมอๆแล้วตอบแทนให้ได้เพียงแต่ว่ากันนี้มาพูดถึงลักษณะของการตอบแทนบุญคุณ ใครจําสังฆะวัตถุสี่ได้บ้างนะเรื่องของการตอบแทนบุญคุณเนี่ยผู้เจ้าท่านมีมตรัสถึงแม้ว่าอย่างนี้เราตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จะมีอยู่สี่อย่างแต่จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นพ่อแม่หรอกเป็นใครก็ได้นะคำว่าสังฆะนี่คือสงเคราะห์คือการช่วยเหลือวันการที่เราเนี่ย จะตอบแทนผู้ที่เคยช่วยเหลือเราเนี่ยเราก็ช่วยเหลือตอบถูกไหมช่วยเหลื อ, อนหนึ่งให้ทานให้ทานนี่จะเป็นวัตถุเป็นข้าวของเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทานสามอย่างอะ่ะเป็นอะไรบ้างวัตถุทานอาภัยทานธรรมทานก็นแล้วแต่เนี่ยนะทำอะไรได้บ้างอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่แล้วแต่ฐานะใช่ไหม บางคนเนี่ยเราอยากตอบแทนคนอื่นเขา้าแต่เรายากจนสมมุติเราไม่ค่อยมีทรัพย์สินไม่ค่อยมีเงินทองอาจจะไปทําวัตถุทานบางทีไม่รู้จะไปทำยังไงยิ่งอย่างนักบวชอย่างเงี้ยอา้าวสมมุติว่าญาติโยมเนี่ย อ, อะไรอะใส่บาตรนะพูดง่ายว่าเลี้ยงชีวิตแท่งก้อนนี้เอาไว้นักบวชสมณะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญคุณแต่นักบวชไม่มีเงินอะ ที่จะไปช่วยคารวะได้เนี่ยอย่างวัตถุทานไม่รู้จะไปให้ยังไงไม่มีอยู่แล้วคืนให้ไปก็หมดไม่เหลือเพราะมีแค่จีวร <c oughs> เอ่อมีแค่บาทให้บาทไปก็เสร็จสิเอาอะไรฉนันนจะเอากระมังสิถ้างั้น <c oughs> อ่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุทานไม่มีให้ใช่ไหมการที่พอขึ้นมาอาภัยทานให้ใช่ไหม อ่าเริ่มให้ได้แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปก็เข้าใจว่าอาภัยทานคือให้แหละให้แหละอ่าให้ความไม่โกรธใช่ไหมให้ความไม่เกลียดแต่จริงๆอันนั้นเข้าใจแค่มุมเดียวเองนะจริงๆอภัยทานเนี่ยหมายถึงศีลห้าอาภัยทานไม่ใช่แปลอย่างที่โลกโลกเขาแปลคือไม่โกรธเขาหรือเขาทําอะไรเราเจ็บแล้วเราก็ก็อะไรอ่ะให้อภัยเขาไปอันนั้นมันภาษาไทย ที่แปลกันแต่ถ้าในพระไตรปิฎกนี่อภัยทานนี่เป็นทานเก่าแก่มีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกคำว่าอาภัยทานแล้วพะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยอภัยทานคือเนี่ยไล่ไปเลยสี่ข้อหนึ่งข้อสองข้สอสามข้สอสี่ข้อห้านี้คืออภัยทานเพราะอย่างเงี้ยนักบวชจะให้อภัยทานคนอื่นได้ไหมให้ได้เออ นัจะมาถือศีลภาพปาติโมกต์ก็ตามทําไมอะศีลห้าทำไมจะไม่ได้อ่ะบางทีเพอเโยมยังมาขอศีลอีกด้วยซ้ําไปใช่ไหมล่ะเออสมมติได้เอาเดี๋ยวให้ศีลไปแต่เราไม่จะไปให้อย่างเขาไม่ต้องไปสวดเสิรดอะไรหรอกก็ให้เป็นภาษาไทยไปเนี่ยอ้าวศีลข้อที่หนึ่งอย่างงี้นะเนี่ยก็ให้เป็นธรรมทานไปด้วยเลยนะแต่ให้อภัยทานจริงๆเนี่ยเจ้าตัวเองหมายถึงเราเนี่ยต้องถือศีลให้ได้ นะแต่พอเราถือศีลได้แล้วแล้วอา้าวเราเราให้ศีลคนอื่นเขาถ้าเป็นนักบวชพอให้ศีลคนอื่นเนี่ยคือให้ธรรมทานแล้วกันนี้เพราะถ้าเป็นฐานะนักบวชก็จะให้ได้อย่างเงี้ยตอบแทนบุญคุณของคนอื่นอันนี้นี่ยอันนี้คือทานนะตัวที่หนึ่งสองก็คือปิยะวาจาปิยะวาจาหมายถึงฮะเออ พูดคำมันเป็นที่รักคำคำที่น่ารักน่าเอ็นดูคำสุภาพคำที่พูดไปแล้วทำให้หูของคนอื่นนี่เขาลื่นเขาลื่นหูไม่ใด้ฟังไปแล้วเาหูเขาแสบหมดเลยโอ้โหวันแต่จะต้องเป็นปียะวาจาปิยะเนี่ยแปลว่าอันเป็นที่รักเป็นคำพูดที่ไพเราะเป็นคำพูดที่ พูดไปแล้วคนอื่นเนี่ยเขารับฟังได้ฟังแล้วสบายอกสบายใจสบายหูนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือเป็นการตอบแทนบุญคุณคนอื่นก็ได้เพราะนสังเกตไมบางทีอ่ะคนอยู่ใกล้กันเนี่ยเอาไม่ต้องเอาคนใกล้กันนะเอาพ่อแม่กับลูกอย่างเงี้ยเอาเนี่ยต้องเจอกันนะต้องบางทีไปไหนด้วยกัน ทำงานด้วยกันอา้าวกินนอนอยู่ด้วยกันะในบ้านหลังนั้นแหละแต่เป็นไงบางทีโอ้โหถ้าพูดจาไม่เข้าหูเลยคนนี้จริงจิงมันเข้าแต่เขาสำนวนเขาบอกว่าไม่เข้าหูหมายถึงว่าฟังไม่ได้ไม่อยากให้มันเข้าหูเลยอืมถ้าอย่างเงี้ยวาจาเนี่ยเสียดแทงใจคนฆ่าคนตายแบบชนิด เลือดเย็นก็ได้ฮัาวาจาเนี่ยบางทีเขาถึงเปรียบเหมือนกับหอกพระเจ้าในท่านเปียดนะวาจาดุดดังหอกที่สามารถทิ่มแทงคนเนี่ยให้แบบว่าให้หูนี่บาดเจ็บได้ให้หูนี่เลือดไหลได้เพราะฉะนั้นทำไมถึงบอกว่าเนี่ยการตอบแทนบุญคุณหรือว่าการช่วยเหลือคนอื่นเขาถึงมีปียาวาจาด้วยเพราะนี้สาคัญ แล้วบอกบอกพวกคุณได้เลยคนสบาย อ, อกสบายใจได้ง่ายเนี่ยเพราะว่าได้ยินได้ฟังคนที่พูดเป็นคนที่ปลอบใจเป็นอย่างเงี้ยคนที่เข้าใจพูดแล้วทําให้คนอื่นสบาย อ, อกสบายใจเออบางทีทุกมากุ้มมาโหหน้าเขียวหน้าเหลืองมามาเจอเราคนที่พูดเป็น น, นะเจอพูดไม่กี่คำนะโอ้โหรู้สึกคลายทุกข์ไปได้ทั้งเยอะหรือแม้แต่เนี่ยเราบางทีเรามาฟังเทศฟังธรรม เราก็ต้องถือว่าเออเอเอท่านพูดเป็นปิยาวาจานะเป็นคำที่ทำให้ชวนฟังฟังแล้วเรารู้สึกเออทุกที่มีอยู่มันมันคลายลงเบาลงไปได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือปิยาวาจาเพรา ะ, ะนั้นเราจะตอบแทนพ่อแม่ก็ด้วยปิยาวาจาอย่าว่าแต่พ่อแม่เลยสมมติใครมีลูกใครมีน้องหรือใครมีลูกน้องก็แล้วแต่ น้าต่อให้เขาเนี่ยเป็นลูกน้องเราเนี่ยเราก็ควรพูดด้วยปิยาวาจ า, าควรจะเป็นคํามันเป็นที่รักที่ทําให้เออเขาก็ยินดีเขาก็พอใจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราติดหนี้บุญคุณใครอย่าคิดว่าต้องตอบแทนแต่ด้วยวัตถุเข้าของเออการที่พูดให้คนอื่นเอสบายใจขึ้นมาพูดแล้วทําให้คนอื่นเข้าใจอพูดให้คนอื่นเขาอะไรอ่ะ หายทุกข์หายกุ้มหรืออะไรขึ้นมาได้เนี่ยโอ้นี่ก็ตอบแทนเหมือนกันนะเพราะอันเป็นข้อที่สองส่วนข้อที่สามเนี่ยอัตตจริยาอัตตก็คือประโยชน์จริยาก็ข้อประพฤติข้อปฏิบัติเพราะนั้นอัตตจริยาก็คือประพฤติปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เพราะมีเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราตอบแทนบุญคุณคนอื่น แต่เราทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งบางทีเนี่ยคนที่เราจะตอบแทนให้สมมติว่าเรารู้ว่าเขาชอบกินเนื้อสัตว์อ่าเราก็ซื้อเนื้อสัตว์ให้นะอันนี้ไม่เป็นประโยชน์แน่ละเพราะเรารู้ว่าไม่ดีแน่ที่จะให้ไปกินเนื้อสัตว์หรือบางทีสมมติยิ่งเขาติดเหล้าบุหรี่ง่าย เราก็เออคนที่เคยมีบุญคุณกับเราเพราะเราก็ตอบแทนบุญคุณโดยนี่แหละเอาสิ่งที่เขาชอบชอบเนี่ยนะเอาเหล้าบุหรี่ให้เขาไปอา้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นประโยชน์อันนี้มันเป็นโทษภัยแล้วเพราะจะตอบแทนบุญคุณคนอื่นต้องเป็นประโยชน์ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าตอบแทนโดยเฉพาะเนี่ยหนังจีนเนี่ยส่วนใหญ่ตอบแทนบุญคุณโดยอะไรต้องไปล้างแค้น นะต้องไปฆ่าไอ้คนนี้คนนี้นะเพื่อตอบแทนบุญคุณคนโน้นโอ้อย่างนี้ก็แย่ทีอย่างนี้ก็ผิดศีลด้วยใช่ไหมไปฆ่าคนอื่นเขาไปปาณาติบาต์ไอ้อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์เป็นโทษภัยเพราะะการตอบแทนอย่างนี้ผิดไม่ถูกต้องนะเพราะการตอบแทนต้องเป็นคุณด้วยต้องเป็นสาระเป็นประโยชน์ด้วยสามแล้วนะสี่ข้อสุดท้าย สมานัตตาสมานัตตาบางทีพวกเราแปลกันง่ายๆแบบว่าสมานอัตตาพวกเราแปลกันแบบง่ายๆนะอืมแต่อัตมาแปลใหม่แปลเองก็คือจริงๆแล้วคือสมานความเข้าใจกันนะอันนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณเหมือนกันบางทีเนี่ยเกิดเข้าใจผิดกันอย่างเงี้ยโอ้ mm hmm. เรารู้ละ คนคนนี้เคยมีบุญกุลกับเราแล้วคนนี้ก็เข้าใจผิดกับคนโน้นหรือเข้าใจเราผิดก็ตามเราก็พยายามไปสมานอัตตาคือไปทำความเข้าใจให้เขาเข้าใจเราให้ถูกต้องหรือเนี่ยปรับความเข้าใจกันนะให้ให้คนนี้ปรับความเข้าใจกับคนโน้นให้เขาดีขึ้นนะเขาจะได้สามัคคีกันเขาจะได้ไม่ทะเลาะวิวาทหรือว่าเกียรติชังกัน อันนี้เป็นการสร้างความเข้าใจถ้าพูั ง, ง่ายๆเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยในสังขาวัตถุสี่เนี่ยเนี่ยทานปิยาวาจาอัตาจริยาแล้วก็สมานัตตตาอันนี้ก็เป็นเอามาใช้ตอบแทนบุญคุณได้ตอบแทนบุญคุณได้แม้แต่เนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะเราก็เอาไปใช้ตอบแทนได้เอาอยางทานอย่างเงี้ยให้อะไรถ้าเป็นพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ จะให้อะไรให้ให้ทานเนี่ยให้วัตถุเนี่ยให้เงินไม่มีเงินอะ่ะให้อะไรวัตถุวัต ถ, ถุตอนนี้อยู่ในขั้นถือว่าเป็นวัตถุทานเอจะเป็นอาหารเป็นเครื่องนึง่งขมเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์นะเราก็ทำให้ไปที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรและบางทีเนี่ยจำเป็นต้องเยอะๆไหมไม่จาเป็น การตอบแทนบุญคุณสมมุติเราจนเราไม่ค่อยมีเราก็ตอบแทนไปเท่าที่เราจะตอบแทนได้หรือถ้าบางทีไม่มีเงินจริงๆเรามีแรงบางทีอ่ะเออสามารถช่วยเหลือช่วยทําให้ท่านบ้างไอดี ID บ้างช่วยเหลือท่านได้ใช้แรงกายตอบแทนหรือถ้าแม้แต่แรงกายก็ไม่ค่อยมีแรงนั่นแหละเพราะว่ากินแต่ข้าวขาวไม่ค่อยกินข้าวกล้อง นะแรงก็เลยไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นอ้าวทีนี้จะตอบแทนยังไงอ่ะวัตถุก็ไม่ค่อยมีแรงก็ไม่ค่อยมีทำไงอใช้ปัญญาอาใช้ปัญญาบางทีแนะนำอะไรได้ก็แนะนำไปนั่นแหละ น่นเนี่ยเนี่ยตอบแทนพ่อแม่โดยทานโดยปีญาวาจากระพูดจาอะไรที่บางทีให้พ่อแม่สบายใจบ้างจริงๆเราปฏิบัติธรรมนะ่สมมติแต่พ่อแม่ไม่ปฏิบัติธรรมด้วยเพอๆโอ้โหไม่อยากให้เรามาปฏิบัติแต่เราก็ต้องฉลาดพูดให้ได้ที่จะทําให้พ่อแม่เนี่ยคลายใจยังไงไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องวิตกกังวลแล้วแม้แต่บางทีเกิดอยากจะขัดขวางเราอางเนี้ย เราก็ต้องหาวิธีการที่จะทำให้พ่อแม่คลายใจให้ได้ในที่สุดก็เออเห็นว่าเรามาทางเนี้ยมันดีแล้วเนี่ยต้องต้องศึกษาศิลปะในการพูดไม่ใช่ซื่อๆตรงๆพูดเป็นไรนะชีวิตนี้ไม่มีอะไรวิเศษกว่าการถือศีลปฏิบัติทมแล้วเพราะนั้นต้องมาวัดไ <c oughs> อพูดอย่างเนี้ยได้เรื่อง นบางทีมันมันพ่อแม่ทนฟังไม่ไหวอ่ะเพราะว่าถ้าท่านไม่ชอบอะนะเพราะอันนี้จะต้องรู้จักในการพูดคำมันเป็นที่รักให้ได้นะส่วนประพฤติประโยชน์ให้พ่อแม่ก็ดูสิอะไรเป็นประโยชน์นะคราวนี้บางทีเนี่ยเออมีเทปดีๆอาจจะไม่ต้องเทปธรรมะก็ได้นะเอาเทปแบบอะไรนะหมอเปี่ยมโชค หมออาลีอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าเออท่านอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างอ่าเราพอจะอันนี้พอจะหาได้อ่าบางทีก็เอาไปให้ท่านได้ฟังบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นอะไรเป็นประโยชน์สําหรับท่านอ่เนี่ยหรือแม้สุดท้ายทําความเข้าใจซึ่งอาจะมาว่าจริงๆตัวเนี้ยสาคัญมากสมาณตัตตาเนี่ยว่าส่วนใหญ่บางทีโอ้โหเข้าใจกันยากมากเลย ขณะอาตมาเองเนี่ยจะมาบวชเนี่ยโอ้ยโยแม่ยังไม่ค่อยจยอมเลยจนกระทั่งอาตมาต้องกลับไปมีโอกาสก็กลับบ้านกลับไปก็ค่อยๆทาความเข้าใจทําความเข้าใจจนกระทั่งท่านท่านค่อยๆยอมรับขึ้นมาได้เมื่อท่านยอมรับแล้วท่านเข้าใจขึ้นมาได้เนี่ยท่านก็ถึงคลายใจไม่เป็นห่วงเราแล้วแต่นี้ไม่เพียงแต่ไม่เป็นห่วงนะท่านก็จะหันกลับมา ศรัทธาธรรมะหรือว่ า, าศาสนาได้เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่สเนี่ยเป็นเรื่องยากนะแต่จะเป็นบุญกุศลที่สำคัญมากเลยเพราะพระุทธเจ้าตรัสไว้เลยถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพ่อแม่จากไม่มีศีลมามีศีลได้จากมิจฉาทิฐิมาเป็นสัมมาทิฐิได้จากเนี่ยไม่รู้คุณค่าไม่รู้ประโยชน์ในสิ่งที่ดีงามให้มารู้คุณค่า สิ่งที่ดีงามได้สิ่งเหล่านี้นะผู้เจ้าตรัสเลยอย่างนี้คือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดแล้วถ้าใครทำได้เนี่ยถือว่าตอบแทนได้จบแต่ถ้าใครตอบแทนแค่วัตถุข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆเหล่านี้เท่านั้นให้กับพ่อแม่พูทเจ้าถือว่ายังไม่จบเพราะพ่อแม่เนี่ยโอ้โหกว่าจะเลี้ยงเรามาให้ทั้งเงินให้ทั้งข้าวของ เครื่องใช้อะไรต่างๆนี่โถเอ้ยคุณโตไปทํางานบางทีได้เงินมันก็จึงผ่อนสงให้ทีรนิดเรียนหน่อยไม่ไม่เท่าหรอกไม่มีทางเลยนะแล้วก็มีสักกี่คนกันที่จะไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยได้ขนาดที่เรียกว่าโอ้โหใช้คืนเรื่องวัตถุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเนี่ยแบบเท่าที่พ่อแม่เคยให้เรามา ยากมากๆเลยยากมากๆากมันถึงบอกว่าอย่าไปคิดอยู่แต่ตอบแทนเรื่องวัตถุเข้าของเพราะอันนั้นมีมีเท่าเท่าที่เราพอจะตอบแทนได้ตอบแทนไปเถอะแต่สิ่งสําคัญคือตอบแทนด้วยคุณธรรมด้วยความดีด้วยธรรมะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยท่านถึงยกย่องมากเลยนะคนที่มีความกระตันอยู่กะตะเวที ท่านเปรียบเอาไว้มีบุคคลสามพวกที่หาได้ยากในโลกนี้บุคคลประเภทที่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าหาได้ยากมากนะนี้นี่อันดับที่หนึ่งเลยส่วนอันดับที่สองนะพุทธเจ้าจบอกว่าบุคคลที่แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั้นข้อที่สองเนี่ยคือพวกไหนไม่ไม่จำเป็นต้องไปนัก บ, บวช เป็นคลาวาสก็ได้คราวาสที่สามารถถือศีลปฏิบัติทำได้แล้วพอได้ดีแล้วเนี่ยก็สามารถเอาความดีที่ถูกต้องนะที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอามาประกาศให้คนอื่นเนี่ยได้รับรู้ต่อนี่ประเภทที่สองนี่หาได้ยากหาได้ยากจริงๆแม้ประเภทที่สองดูนะพู้เจ้ายกแค่สามพวกนี้เองนะพวกบุคคลแรกคือพระุทธเจ้าใช่ม ซึ่งเรายอมรับหมดแหละแต่พอประเภทที่สองนี่บางทีในความรู้สึกเราเราชอบรู้สึกว่าเอ็อคงไม่เท่าไหร่ะนะคือคือรู้สึกว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็ ก, ก็ก็สำคัญบ้างอะ่ะแต่ไม่ไม่สำคัญนักในความรู้สึกของเราแต่คิดดูสิพู้เจ้ายกขึ้นมาเป็นอันดับสองเลยทำไมมีอย่างอื่นที่ในหัวสมองเราคิดเนี่ยโอย้โหอีกองเยอะแ ย, ยะมากมายนะแต่ผู้เจ้าไม่ดยกเลย ผู้เจ้าบอกคนที่หาได้ยากในโลกนะไม่ใช่ในประเทศอินเดียหรือไม่ใช่ในประเทศไทยแต่หาได้ยากในโลกนี้ว่าคือคนที่พูดง่ายว่าจะต้องมีสัมมาทิฏฐิและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินั้นพอปฏิบัติได้แล้วก็เอาสัมมาทิฏฐินั้นน่ะมาแจกจ่ายให้กับคนอื่นนี้หาได้ยากในโลก แล้วก็เนี่ยบุคคลที่สามคือผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่แค่สามประเภทนี้ทำไมอ่ะยังอื่นมีอีกตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่บอกว่าอาชีพนักบวชอ่าทำไมไม่บอกอาชีพพระแหนน่าจะ ห, หาจะยากในโลกอะไรก็ว่าไปไหมแต่ไม่เลยไม่เกี่ยวเลยจะเป็นพระเป็นคารวะไม่เกี่ยว อ, ะอ่ะอ่า หรือครูอา้าวใช่ไหมยังนึกนึกอยู่เออน่าจะครูบ้างนะที่ที่เรารู้สึกว่าสําคัญน่ะหรือว่าอาชีพอะไรหมออา้าอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นอะไรมีคุณค่าเนี่ยแต่ไม่เลยพระเจ้าไม่ได้พูดถึงอะไรพวกนั้นเลยกลับพูดถึงคนที่สามารถแสดงธรรมที่พระเจ้าสอนมาได้ถูกต้องแล้ว น, นแสดงธรรมได้ถูกต้องว่าหาได้ยากเนี่ยโลกแล้วก็กตันยูกตเวที อันมาพูดตรงๆพูดจริงๆว่าคนเราทุกวันนี้กตัญญูกตวเวทีเนี่ยยากยิ่งคนทุกวันนี้นะคนทุกวันนี้นี่จิตใจนี่เลวร้ายลงไปเยอะทำอะไรให้หรือว่าอะไรเนี่ยเขาไม่นึกคิดเลยว่าเป็นบุญคุณเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้สึกแค่บุญคุณของคนอื่นเนี่ยนะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนที่ มีธรรมะมากพอสมควรถึงจะคอยนึกถึงบุญคุณของคนอื่นที่เคยทําให้อย่าว่าแต่บุญคุณของคนที่ทําให้เราโดยตรงเลยนะเพราะฉะนั้นแม้บางทีเนี่ยนึกถึงอะไรอ่ะเอ่อที่ที่ไม่ใช่ให้เราโดยตรงอ่ะอาจจะจากจุดนั้นจุดนี้แล้วก็มาถึงเราสมมติอาจมายกตัวอย่างสมมุติว่า คนใส่บาตรเรามาใส่บาตรให้พระให้ให้สมณะเนี่ยใช่ไหมเราก็อาจจะคิดว่าเออนี่โดยตรงใช่ไหมว่าคนที่มาใส่บาตรให้สมณะเออชัดว่าเออบีบุญคุณกับกับนักบวชนี่แต่จริงๆอ่ะไอ้ที่มาใส่บาตรอ่ะเป็นยังไงอาจจะไม่ใช่ของเขาก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่ได้ทาเองก็ได้เออเขาอาจจะไปซื้อมา ต่อให้ซื้อมาด้วยเอาวคันนี้แต่แสดงว่าต้องมีคนทำมาก่อนอีกใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนทำมาก่อนหน้านั้นอีกอมันต้องมีส่วนด้วยสิถูกมถ้าไม่มีคนทำหุ้งข้าวทำกับข้าวมาแล้วคุณจะเอาอะไรมาใส่คุณจะเอาอะไรมาซื้อแล้วก็มาใส่มันก็ไม่มีอีกเห็นไหม น, นี่ชักไม่โดยตรงนะเริ่มมีที่สองเริ่มมีที่สามนะแต่คุณคุณเคยคิดถึงไหมเคยเคยคิดถึงหม เพรจริงๆเนะี่ยแม้เขาจะเป็นที่สองที่สามแต่ถ้าเราคิดโดยลูกโซ่ที่กว่าจะมาถึงเราเออถ้าจะว่าไปก็ก็เป็นบุญคุณเหมือนกันนะถูกต้องมาก็เป็นบุญคุณเหมือนกันเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้อา้าวเราจะเคยคิดไหมว่าเออจริงๆเราก็ต้องตอบแทนเพราะฉะนั้นนะ่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ถ้าเป็นนักบวชพระเจ้าเนี่ท่านจะเหมือนกับให้ท่องไว้เลย ให้จำไว้เลยว่าว่าบัดเนี้ยเราเราบวชแล้วเรามีชีวิตอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นช่วยเลี้ยงเอาไว้ทำให้มีกายขันนี้อยู่ได้อันเนี้ยก็หมายความว่านึกถึงบุญคุณผู้ที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะเพราะฉะนั้นจะต้องมันเลือกถึงนะเป็นอภินันหะปัจเจเวที่จะต้องมันพิจารณามันนึกถึงอยู่เสมอเสมอ เหมือนกับเตือนสติเราว่าอย่าลืมบุญคุณของคนอื่นเขาจะโดยตรงก็ตามจะโดยอ้อมก็ตามแล้วคนที่พยายามนึกอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็จะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คนใจอ่อนนะระวังนะคนใจอ่อนก็อีกอย่างหนึ่ง อ, อันนี้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแต่ระลึกได้ถึงบุญคุณที่คนอื่นเนี่ยช่วยเหลือเราไว้ อาตมาเคยพูดว่าเนี่ยเคยนึกบ้างไหมบางทีอา้าวพ่อท่านช่วยแสดงธรรมช่วยสอนเราทำให้เราดีขึ้นมาเนี่ยเราเคยนึกถึงไหมแล้วถ้าเรานึกถึงเนี่ยเราตอบแทนยังไงอ่พ่อท่านมาก็รีบมากราบอา้อาวก็ตอบแทนเหมือนกันนะนะหรือว่ า, าท่านจะอะไรอ่ะบางทีหิ้วของเอาช่วยไปหิ้วให้อะไรเงี้ยอา้าว ก็ตอบแทนเหมือนกันเนอ่ยดูนอยู่ในข้อไหนสี่ข้อนั้นนะอหรือคราวนี้บอกแล้วบางทีคุณก็ไม่ค่อยได้เจอพ่อท่านสักเท่าไหร่นะอ่กราบก็ไม่ค่อยได้เจอก็ไม่ค่อยได้กราบช่วยยกของก็ไม่ค่อยได้ยกของเอ้าหรือว่าห้องทำงานพ่อท่านคุณก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปถูไปทำความสะอาดหรืออะไรสักเท่าไหร่เอ้าแล้วจะเหลืออะไรให้คุณช่วยได้ ที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อท่านได้หรืออะไรเออเห็นมันยังมีข้ออื่นอีกที่จะมาบอกถึงเออเราก็พยายามทำดีก็ได้เออหรือว่าบางทีอะไรอ่ะท่านเทศท่านแสดงธรรมอา้าวเราก็มาฟังฟังเสร็จก็เอาไปประพฤติไปปฏิบัติให้เราดียิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการตอบแทนให้กับพ่อท่าน นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจได้คนที่เข้าใจเรื่องของความกตัอยูกระตวเวทีเนี่ยก็จะทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆทําไปบ่อยๆทําไปมากๆคนนั้นก็ยิ่งจเจริญด้วยนะแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยจริงๆแล้วก็จะพลอยมีผลกระทบในทางที่ดีได้ไปด้วยโอและจะช่วยให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยมีความรักมีความอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อการเนได้มากขึ้นเพราะบอกแล้วความกตัญญูกับเวทีเนี่ยนีไม่พ้นว่าต้องช่วยเหลือกันบางทีเนี่ยเราก็มีบุญคุณกับเขามั่งบงีเขาเขาก็มีกับเรามั่งเผลอเผบางทีเราก็ด่าเขามั่งเขาก็ด่าเรามั <c oughs> ใช่ัหมมันก็มีด้วยแต่ถ้าคุณนึกถึงเรื่องบุญคุณอยู่เนี่ยต่อให้บางทีโกรธเา้า <c oughs> บอกแล้วใครอยากจะเก็บความโกรธไว้ถูกม เพราะว่า ย, ยิ่งเก็บความโกรธว่ายิ่งเก็บความไม่ชอบใจเดี๋ยวคุณจะให้อภัยได้เหรอคุณก็ให้อภัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดจะตอบแทนเข อ, อื่นเอาเดี๋ยวเราก็อุย้ยคิดอย่างนี้ไม่ดีหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกไปจิงชังไปเกลียดได้ไงเพราะฉั้นก็ต้องให้อภัยไปเป็นอภัยทานไปอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นที่หาได้ยากในโลกเพราะส่วนใหญ่มันจะเผลอมันจะลืมนะเหมือนที่บอกมาตั้งแต่ต้นไอ้ไม่ดีเขาเนี่ยเราจําอยู่เรื่อย แต่ไอ้ดีๆเขาเรามักไม่จํามันก็เลยทําให้คนนั้นไม่ค่อยเป็นคนกตัญญูกตเวทีเมื่อคนเราไม่เป็นคนกตัญญูกตเวทีก็จะกลายเป็นคนอกตัญญูก็จะกลายเป็นอย่างนั้นทันทีเพราะนั้นพอเราหมั่นแล้วลึกขึ้นมาปั๊บมันจะเออบางทีเพอจะช่วยอะไรได้มันจะช่วยทําอะไรได้จะทําทันทีเลยแล้วยินดีด้วยพอใจด้วยแม้ว่าบางทีจะ ลำบากบ้างหนักเหนื่อยบ้างแต่พร้อมที่จะช่วยทำเพราะฉะนั้นวันนี้นะฝากเรื่องของความกะตันยูกระตเวทีเอาไว้เพราะถ้าพวกเราเข้าใจแล้วก็พยายามมันและลึกถึงอันนี้ได้เราจะเป็นคนคนหนึ่งนะที่พูะเจ้าท่านจะยกย่องได้ว่าเป็นคนที่หาได้ยากในโลกอ่ะคงฝากไว้เท่านี้วันนี้